ที่เจ้นีางันจรงหรืเป็นของจริงความผิดของวิทยุเท่ากับเป็นขอยึดขอยดีของเสือชอมผิดเ่อว่าขสาละจิงหรเชละป็นเพื่จรงอเพื่อนเป็นเ่าึกยึดจากขั้นามเป็นโมฆะใส่ย่างข้นสองขันดีเอาอย่างขั้นหนึ่งเป็สิ่สิถข้อขั้นหนึ่งนดีข้ง แต่เค enfin ้อนเัียวจิตยิงลงมีวันมีเรื่อแ่เคลื่อนเทียวไมอันแน่แน่น่นคือลาเคลื่ดีไปได้คือสังเกตค่อนชืดกันแน่ก็ต่างท่ามือยืนดึงบไหวใช้เท้าไปลาได้เหนื่อยไหมเหนื่อยไีมคือมีจิตใจหน่แข็งใจให้การท่าบนเป็นท่าไหล่พาเคณื่อนแนยแบบชาเข็เกลื่มนบกเคลื่อนพาแน่เป็นหน้าที่ของท่าน เขาจะให้ใจฤทธิ์ยาอาจารย์ผูท่านให้่คือแบบสี่าแดงนาปันิ่งของสุขสนเป็นตับจ็บังค์ะที่เจ้างนื้อแบบจ็บังคเนื้อแบบ้องตกัทงอนไม่ว่าขอกข้างนู้่าเช่จะเป็นตับเจ็บังค์่เกี่ยวัองไหก็เห็นเ่ยวกับเรื่อไหนหาใจเรว่องไหนเส้นอื่นีน่าแ่งอาเจ้าาเกือเอาเจ้าข้แดงอาย คนีก็กิน่ากันเท่ากินเท่าก็อ้วนทางอ้วนใส่เ่ากันก้อนหัดกอนห่อยากจะกินอยากจะอ้วน่ากันนี่คิดตาก็อ้นไงเพราเขาบอกิ่งที่เขาะอ้วนมเวลนสสน่ากัก็ดีจะเป็นตั๊กแต่เทากัเยอะแต่ทเ่อแงเท่านั่นได้ไมันีสุขภาพเ่อแง่สีโอกาสแต่งเพงก็ดีอย่างนี้ไม่เหนเล่าไม้อร้อนตาไม่ไปนี่แ ตายไปล้วนี่เส็มขดีหรือเข็ตัวที่แ้ต่างไปนมันศรษฐบอกเอาเให้นตายนที่ผมจให้จยังจุดเข็มใหญ่ทักนีร่แม้แต่ไมคิดจะเอาไปนี่น่เอ็นสีนวำาลเียวแม้่จไปเียวให้จุดลายต่งไป แล้วจะังตาอวล้วะก้อนดีเวลไหลอย่างน้บกพร่องไปย่างดูตาแต่ข้ามมันเพิ่มโดยย่างหนเป็นคนเสียใจท่าหลังคิถึงเรื่องนี้ท่าคือเป็นตาไหลในตาื่อเร้ามคือเรื่องนี้ทัดท่าแล้วข้ามไปข้ามทีอเรื่อเกิดเช่นประโยชน์ให้ไม่เกิดเชนเกิประโยชน์ให้มนจัด อย่ท่ำใส่จำนห้เกิดน้อเมื่อเกิดน้อยเนาะท่ำเดือดจังเต็มใจนี่เขาทดือดัเต็มใจน้าเดือดจังเต็มใจน้วัดนว่าท่ำบนเต็มท่ำบนบนบัับัญชาบนบนใจน้าบับไหลไหมนบนบนพิบาาการเสเชื่ออนเดยอดนไหลใจรคบท่าก็เฮ้าโอ คืมีที่ใจแนท่านคิดท่านใจแห่งจงบร่างัปท่านให้กับเครื่องได้หายที่กับเครื่อรักษาเสี่ยงภาวะแนเจ็บปวด้ำขั้นแหงเล่าโอกาสอันมให้อยู่ในวัดม่ว่บนี้ามัน่ดินคือสมสใจค้่ตัวแห่งงบใจตัวแห่งางใสใจคู่ตัวแห่สะอาดจะไปคิดอดีต ผีพานไจว่าเด็กเฮ็ดจ้าจันเลยท่ากใจยังอึดซึ่งเป็นอย่ี่ดีางงี้ย่างใมันย่าให้ดูแต่จุบันภาวนาบันภาวนาเม่อตัวการเหตุข้ามควเหตุใดที่รักใคร่เมื่อนั้นคือการรักษาใจขึ้นต่ขวานะนั่นไม่เปัญหานักไหวนอิ่มคนสอนเหตุน้ามลม่ได้แต่คน จะท่านได้จะ้มบ่ห้ท่านได้จะรักษาินโมเส็นด้้นานี่เือัวใจหินตอนนี้ะเอียดเข้ไปอีกท่านท่านีดมืเขาขวาจท่านหรไรก็ท่านได้คือดตเดก็ท่านได้คือคเดียวก็ท่านได้อยู่ต้มีก็ชนะก็ท่านได้ทางรักษาใจทังตัวดูใจทังตัวที่จะหน้าใจท้งตัวต้ง่ใจท้งตัว กาหนดใ้นตัวบริกรรมผุดผุ้ดผหิใจนันเบิกบางนันย็นยนใจส่ใจนสะอาดไม่้นจเกี่ยวข้องกับอารมำว่าเอาผุทผู้เป็นที่ก่อที่อาศัยที่ยืมครื่องใเหมือนั่สัมผัสโดยตองำบริกรรมั่นคืเรื่องสเรื่องหายใจเรื่องลมใส่ระวังใส่เรื่องลมไปนันเบกนั่นเย็น มันซุกหาซึมไลเไื่โลภเสียดเสียพจนทิ้งไม่ได้เศรษฐีนี่คิดใจเมโ่อเลื่อนคนจะเชื่มั่งมันนี้ซึมเลยสิือดแต่เสดทับเลียคิดใจทิงเล่ารยื่อเลืความซุกมันพุกหลายสมัยเนี่ยเพื่อหล่าเชื่อพิชิตทม่เจ่า คือใปใจเ พ, พ hey, ую, même, ่อทาน่แหละเ็นเหมนสอนเข้าเอวเหือนเห็นเหมือ่เพื่อนใจอีเ้ากนยงี้กสสบายขนอมอีกเากเชื่อไ่คิดไม่ใจเขาเหรอเขาเห็นได้านหนาชุกตาทุกหูน่่ละแเห็ท่าโดยือหลือว่าใส่หรืว่าก้มจิดก้ใส่เนรื่งมันเรื่องมันดูมาแต่ใจ เดยมีใจเย็นให้ใจว่าดีดีการพักผอนอนไม่จางช้อนนั่อามีไม่ต้องไหวหวีเด็ก้อจอยู่นัเกั่งเคู่ชคนจปากเสียนั horas, ่นจาอนอ่านใบเขียนเขีนหนูิดใจกงนให้บกใมาเขชยเด่อิดเพิ่มตลดยอดล่าถึงจะเกิดหน้นกระทั่ง เขาทำแกจีน่ะมดีมัมีเอมจะดีอะไรยงไงซึ่งเดิมเดี๋สนตั้งหีเหสอนแต้อ่ออะไรวะดกล่าคิดใจเอตันไมัดีปาถึงจะใ้ไปนีเห็นไหท่านคนไม่ดีไหมจีนวแบบเม่อราขึ่งดูไหมข้นกับดูห่างไกสือมอัดเตารบหยุด อัดประตูมั้ยนั่นก็เข่าปลายอกข้าังงดด้ดูหวแล้น่ก็เขาไหลเท่านี้กลองเข่ามีใจตรงหวกับทําน่นเดียวกันเห็นเอาปลายอยู่ตลดวันตลอดขึ้นตลอดเรืง่าเดียนปีที่ผ่านมาไม่ก็เล่าประนนัแต่ว่าเป็นใจใจว่าใจว่าใจว่าใจว่าใจว่าใจว่า ก็จะหักมาห่ามักจะไปสั่นเลยครัเพ็นอจะให้หักห่างไวเดี๋วว่าอยู่ในวัดไม่ว่าอย่างที่ชาวเมือรอรรักษายึดรักษาใจหักห่างใจไม่ให้ปิดโยกห่วงโยกึ่านกับอารมณ์อันนั้นติดตั้งใจเสมอคิดเท่าคิดเท่าอย่าเม่อิดคิดทอันไหนจได้ที่เห็นไม่ายโยกห่วง ไม่เกิดถินนั้รัดไปเองบอกเขาให้ไปเกี่ยวกลองนันเขาเกิดหน้าอันนี้มันมีพุทโธให้กับไฟถิยนมนพาม่ะให้กับเวทีตามนั่นใจไม่ไปยุ่ได้นิ่งได้ถึงที่พิพิธเลื่นได้ถึเห็นอาเซจันถึงของอาเซจันที่เป็นพุทธเจ้าก้าวไวมันคุ้มย่งหรือมันจะเบาย่างรือด้วยมั้อันนั้นเลมันไปเสกตังคิดตังใจสงบพรเป็นปันญาเฉลิ เราม่ยดมัดีห้าก็เชื่อหนงที่ก็ให้เห็นหนึ่งห้าก็เห็นสองห้มันจะบื่หรอข้ันตังก็ตาบอดเลยเคี้ยวผีเสอของเกิดหน้าเบืเห็นต็เียวีเป็นยสอเ็นยังไหลบื่อเห็นข้าวันบอดไม่กำหนดหนี่ห้ากับเท่านึงเดียวังผเบื่อเหมือนไม่เท่ากันคจอไปเจ้าง้าวบอไม่จะกำหนดนึ่มีคิดาปหนที่เดปัญหามนาเลยด้วย หาเายรักษาตาข้าง้าอมันดีื่อดรืดตเห็นดีมือแมืโลกอันนี้ีมือีมือบาเป็นอ่้างมือสบย่ลโลกกายโลกใจให้ใหจนสืเห็นแ่จจักว่าข้าสอนใหใจเจ้านี่ ยังน่มเส้นคว่าเป็นอาการิเศษวิมุติการคือถือท่ามดีต้องเห็นคนดีราขดจัดเสียงอยู่ในจิตในใจคือถือท่ามกลมเสั่ในเวลากลมเสือยู่ตลอดหน้าบนนี้มันหมดไปตามการตามเวลา่พราะกลมดีกลมสือไม่หมดเหลคือด้วแต่ถ้ามันพ่มเนใจก็ได้รับเนื่ยนักมีเสือถือเจ้าท่ามไม่ไปนะเนาะเสื่อันห้า ผ่เชื่อมไปเร่อยรักษาจิตใจเพื่อให้ย um ืนไม่ขอบไม่เกลียดมีฟังมีฟ้ามีขี้ฟิดขี่เตอะอย่ไหนไเรื่อยๆรักษาใจเพื่อเปิดใจคือนั่นแหละผมว่าคือวางใจจากเยี่ยงข้างหน้าคือได้เรอเราว่างเช่องใจเพื่อเปิดคือนั่นอีเยี่ยงข้างหน้าคอหน้า ยิ่งเดือดร้อนาไเกิดหม้นตายจริว่าสิแก้ไม่ได้ือได้ทั้งวันระตั้งใจให้ตัวได้เพื่อให้ส่จเยอะขึ้นนะคือเวลาไหนเกิดแม่นตายอีกสงละช้าได้ไม่รู้ตู้แล้วมันโดนนี่แม่นอันไหนที่น่ะเยอะกวอาข้อพันใจใจหน่อยแต่เิดยิ่งเสดแล้วคิดเอาได้เลยว่า จะพยยามรักษามันเป็นหนาขีดพระขงเีเท่านั้นนาขีดงเทาทุกข้นละจะทีหลังดีต่างกันแน่ก้านดีจะเกิดของนี้ตช่สายใจใส่ทองตัวสายเทาต่างเอาจะได้มหัท่ำให้ทีนีทีเวางการตางก้ดีเป็นหนีดของทุกข์นมเป็นหนีดอง คือไหนนะคืการคอยู่การรักษาศาสนาคือกันทำคิดใวโดยเป็นศาสนาเราเกิดเป็นพระที่นี่น่ก็เป็นศาสนาคหะาสนาคือคิดคิดใจของตัวเป็นเรื่องของศาสนาข้าวมื้อใจของตัวอยู่เห็นไม่อัดใน่ท่อมไม่ต้มเลยไม่เย็นไ่า้อไมเป็นศาสนาไม่ได้ มันหยุ่นมันฟ้มันสบาอหาใจเพืตวมันบวชเปากตร์เปนน้น้บวชเคาเปเืองมกะแข่งเขยวยืตงจะกายใสมนี่ระโยกกรงสานหยิบห่อนตามสัาอาวุธหาความทรนี้นี่ยได้หยิบชนี่ต่งจะกายอยู่นี่ยวัดไม่ว่าเป็นาตัวนเืองเท่านั้นใสจใส่เนคาลาว่าเนเศษเป็นขีดฮะดินขีดดน ทุกทกเงใส่เป็นตัวเหยื่อเลนใส่ทุกใจการรักษาศาสนาคือไปเจ้าหัวมอบให้บริษัททางทีที่จิตสามนิ้วดาบุกอุบาสิกาเป็นผู้รักษาศาสนาถึงเส็นเส้นว่าดูได้ถวกเข้าละคือนที่เอาใจใส่ดีแลรักษาหากใ้โบต่อเพื่อปฏิบัติโดยรักษาศาสนาถึงทุกตเจ้าเนี อยู่ต่อหอ้าเขากาสนากำหนดยืนเขาข้ามสอนิดดำลงคอยมาได้แต่ชอบนี่คือหลยมใเคือชัดทานเ่คือิ่งดีรักษาบำเรียนซึ่งทำว่าศาสนาให้หมดศาสนาจงเชื่อถือช่วยว่ามาได้ให้จงเดยกซึ่งเด็กเหวินทำนี่เหมือนกัน ความจริงการรักาษาศาสนาการรักษาทารักษาเจ้าอำนาจศาสนาจริงจังทุกทีจะครับเราเหยนความเปราะบางของเาาขียนน้ำความศาสนา阿รสีนี้จากหลับจากว่ามีพวก เ, น, น, เ น, น, น, นี่ยเสียงื่อนด้วยเป็นขั้งขั้นมีพระพระอะไรกันจะนี้เลหรอกแต่วันนี้เองคยึดอื่นเพาเห็ใบเพาะ เมื <link video> ่น e. so so ี้เราเขามอนบนหมอแจงอันใดเล่านีจาวันนี้ก็จะหาเมื่องามนอ้คือิดหมอนคอรอแจงเท่าไห้นเล่าพระเมื่อวันนี้เกิดอหลับหาตกหัวไม่ได้ยาเลยจิงพอพระเจ้าสงฆ์ใันไม่ว่าเมืนี้เมื่อีขอองอันใดอาศัยถ้าเรายาอยรื่องสรับนเหมือหายจได้ว่าจะไหนแจ้ทีมครับเราพระ มล็ด ja? ับเรเงี้ยมล็ดเ้ยคือเราจับรเง้เราคว้าแบบการสนับสนเนีรีว่าได้ตรงนี้ไปการสนับสนการรักษาศาสนาจะต้องดูวเป็นผู้ที่ศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นกัตรละเอียดละออนใส่ใจทอดทุกอย่างความรู้ถึงมาเป็นพระพุทธเจ้า จะได้ไมาจากความผาดความเพี้ยนความโวยใจใจความตั้งใจเป็นจิตวัดขั้นสอนทุกขอทุกขั้นถืสนนี่สอนหนัก้นนี้ี่ตัตนี่ม่ยออนหกห่เตาเป็นม่ย้นสอหนก้นคิเหหงเชืพดเปจิตวัตามอัธถัาของอุปตเจ้าพเองงรับร่องรับข้นนั่นจะต้องนี ความฟ้งความสบายท่านรักษาสิวเห็ท่านสวนลอยยงเน่้าสิ่พี่เจ้าเนี่ยหลี่ยมพระเหลเจ้าหลี่ยเหล่ยมาเห่ยเหลี่ยมพระนี่ร้อยตามเ่มเรื่อยๆใจใจไม่เป็นพระไม่เป็นเถดก็อฮะหยิ้าสิฮะหยิบห้าล้าฮะรับห้าแนอยุไม่ตป็นี้ ที <S <S ่เจ้าแเห็นไหมที okay. yeah. ่ควรรอบครอบบอางเง้ยนั่นคือใบของขีบบอดีไาววัดใบว่าจีดไปเขียนน้ำเขียนาสนาต่อไป่าเข้าที่เจ้าแม่เลยเดี๋ยวพี่ปัญญาเขาให้ที่เถื่อนลงไปยางเงี้ยนก้นสนะเสน่ห้ยางไรก็ชนะเสน่หไปโบก้วนชนะเสน่ห์กับโบก้วนหายก้วนจยกขวาง กินถือเป็นเศียรน้ำท่องศาสนาแล้วันนาเบล่าหิจางใสนมดใส่ผานื่งชิวใส่ศาสนาโดยั้งหน่อยตั้งตาเดินเด็กเดนเที่ยวไม่เงียบ้เล็ดเข้าศาสนาชนิดไม่หายหนี้า่วงหาอยากหาย้งมันดึงอะไรใช่ไหมดึงอะไรมันจะซึมไปใช่ไหมซึดึงมักจะตรน่เป็นเพื่อที่แบตามอาตามธรรม้าไปเลยจับป็นไหวเลยดึงเลยดจับ การแต่ถ้ำช่องสนขอให้ใบนหน้าบยนดีนี่เชื่อการที่มีพิจารณาการจัดขับไล่เศษน้ำตทนศาสนาออกไปถ้าวัืหนึ่งพิจารณาถ้าไม่เนี่กอันใดต่อันใดเลยผลหน้ากันมันเอาหมดแต่ว่าพระเป็นพระแบบใดไม่เหมือนพระล้วๆนี่ว่าพระอะไรนี่กาเป็นแบบนี้สักการดูชาว่ามีสมัยาสมัยตาเสื่อาเส่เราจนได้หมด ทำงา น, นาม่รจัยบัวดอกพิธเจ้าชิงนห้นนิ้คขึ้าเมื่อแขนหัวขก้นนิ้วคนรับหูรับตาไหนที่ย่ น, น้าเนะี่ยเที่ยงนั้นถึงรังรักษาศาสนาต่างชาตต่างภาษาเขาขอมาเห็นทางนี้มีวันนี้ว่าเมื่ต่านวาย่างสัจธรรุนี่จะกี่เด็ดปัญหานี่จะการ ท่านแม่ฮนทิ้งหนอกหยุดหนอกล้าหนอกทิ้หนอกท่านเข้าไปไปดีนุ่งท่าศาสนาเนี่ยนุ่งระาศาสนาเด๋ยวศาสนามาเล้าศาสนาโลกอันน้ศาสนาเนี่นุ่งดีหันมาเที่ศาสนาเนี่ยศาสนานี่ยดีหันไปหันศาสนาเนี่ที่กันก็บีดีวันอาศัยที่นี่ดีดีมัน่ลือกโยธาบาวเขาต้องชื่อเมื่อเพื่อนเพื่อนจะได้ ท่องใจกน่แต่าหายังนัท่งใจกั่ต้องเดียวกันมีเขาวิ่งต้นแต่ว่าถึงพ่าพระพุทธศาสนามาเห็นพระเห็นมือเอ๋ก็เลยเชื่ท่านต้องเชื่อานกันะดับถูกเมื่อใดมันเพิ่มความผ่อนเพลินลัยดลัใจยื้นี้มแงเียบอันใดนี่จ้ะเพื่ออันนั้นงอันนี้นี่ลอ ตลอดเยอะมาาพระอันนั้ะพระอนนี้เพ่เลยเพิ่มเลยร่ำนะกว่าสั่งหาตามกวาสั่งยังนึ่นเป็นอย่างช่างลาพิดตหาออกไปจากใจพวกทางเข้าไับมดี่เดตเป็นน่แ่เพาเป็นอาหารอาหารเป็แล่แน่ตอนสมัยวัน้ว่าเนาะเบ่เป็นพาเป็นเ่าเข้าสั่งกันทั้งวานทั้งคืนเออไงนี่มันมาเป็นยังไง่างศาสนา มันก็是是้านวัตถุวัต <t> ถ <us indo> <t us indo> ุนี่มันัตัวขางศาสนาใช้สงก็ได้ใจหมดมือถ้าไข่ห้ามเปียนเดีเป็นเรื่องอัศจรรย์ม่ถึงเงินเตะเลยว่าทางศนาได้วัตถุยังไม่ถึงไปได้ใช้ตั่งใจข้างตัวสังเงมาทั้ง่งคุ้มคีสั่งเสตั้งเงินเกยี่สไม่คิดไมใจ สนาธิคว่งบสัมปชัญญองใจควเวกของใจควมันค่อยใจเป็นยางไงให้ดูให้เห็นไม่ต่างแรกทามันขึ้นเต็มหาดูดเห็นสะเทือนากัง่ายละง่านใจขตัวตัวความสงบตัวคว่ำเย็นเย็นตั้งง ละกิเลสค่ะตัปกิเลขาดเป็นอย่งไรแสงที่ยาวมากเท่ารอีกที่กันไม่ดีเท่าไรทกของต่างยต่างใอางนี้ว่ามก่สาบริสุทธิ์นี่จะหน้าที่บริสุ้ธิดนี่ปัญญาหลคม้ามข้าะตั้งี่เลสตั้งหาออกจากที่ใจใได้ มันมีมันมายุตายมันใหม่เพื่อพุทเจ้าจะทำให้ผ้าตี้ตาตาดีเนีนยมีแต่ไหนหาที่เหร่เนี่ยทนใจอยูยจะเร่น้ผ้าขี่เหร่ใตคือก้องคื้องสบายให้เพิ่มเติม่าจตีนี้ลงน้งตางก็ต้างสั่งวัตถุพื่พุทธเจ้าเพิ่มหเนี่มีตามตาตามเขามีขาขาข้นัาส่าที่ยู่ที่อาศัยให้ กาเองินเป็นไลท์กิษกูน่าตังยดีไถงถ้าจากพระสงฆ์่เหท่านคือเป็นพระอรหันต์อรหันต์แตกหนีท่านมีการละการเพิ่มอีกน่ น, อ น, อกนยิ่งเจ้หนงนมีมอองาทางศาสนาที่เป็นืนขี่เอเลข้นมานี่ขี่ควบขวัยนมวง แก่ถ e ึงก็ไม้ดิหนึ่งเท่างวันน้อะไรวนี้อะรเจที่ั่งอันนีสั่งอันนี้นั่งเภาดีัใจเตะใจหัวาจใส่หัวใจทุ่มกับของหัวเป็นพ่อหัวใจไม่ได้เลยนึกไปนึกไปคิดว่มันสิ่งนี้ค่อนข้างสบายให้ด้อันนี้นังเงี่นนั่งเงี่ยพอไปั่งก็เล้นั่เงพอไปสั่งก็แต่ตายยังไม่หมดเลยเอ้ยคุกซึข้างหน้าแล้ตาย เราดูนี course, ่งได้ใจเขานี้อาจนี่ท่านมากกว่ถึงนี่รกับดานรับถือมีกับอาจกับท่านก็บขวอญสงบวัญังนักขวสะดวกสบายเท่านี้เยตั้งใจเรียนโดยกุณน่าพกต่างทกเยะหน้าหนึ่เป็นทีป่าธนาขอผีถึงนี้อาจนี่ท่านกลางเกรวยเท่าหน้าตามนี้ น่วน่เมือพูดอานุท่านถ้าูดวิอานท่านท่านไม่ได้ท่านได้เมื่คับของเมื่อจิตเม่ใจหรือพระพุทธตารอริยาายควไตรเป้นว่าตรนั้นสี่คือเชื่มไหลก็ดีเดื่อคู่อาจารย์พูดวิอานุทานเท่านั้นเียว่าพวดห้นะเพือนหน่กันทั้งเวลาที่ต่างนี่ไหมความก้าวต่างใช่หมเหลือตามนี้หรือ คนพ่อดีว่ะท่านทหกรทหารบ้าพท่านมาโดไม่ห่าทั่วไปนี่คนที่มีชื่อเสียไม่เลยท่านนี่นี่ไงท่านจะพาส่งไม่มีอะไรก็นไหมฮะแทะเข่าเขาตามมานหลับรดนั่นถมท่าเพราะเหรอแม่ก็ไม่สั่งท่านดึงนี่ท่านดึงนี่นี่ถ่ายมีอยงนี้ไม่มีอะไรเลยลอกนี่เขาโตขายเขียนหนังเขียนเล้ยขายเพรละเหรอแม่ก็ไมสั่ง อยู่คือใส่ค่อนข้อนทีถอาจรถท่ำเป็นวัตถุเป็นของดีของดีเสกตัวอาจตัวท่ำหากตัมีอนวุธท่มโดยหน้าท่ำดังนั้นเพราะเหตุใดเพราะท่มเป็นของดีของดีเสกตัววัตถุท่ำจึงโดนเงี้ยววัตถุค่อนขีมเงี้ยวนั่งวัตถุค่อนขีมเง่้ยวหนั่งวัตถุค่อนขีมเงี้ยวหนั่งเพราะป่ำเสกว่า ต้องเป็นพี่เจ้าเอาเป็นพระเปนมเขินเป็นพหตุแต่เไปเือง็นท่านกับท่านสายทน่นท้งนู่นนาลังอันใดเรงเราว่าเห้นทพื่อนว่าเราเพื่เดินเรื่องเนี้ยต้องคิดต้องนึกต้องคิดต้องสอนจะสอนอีกเชื่อให้เป็นพระนมิ่ี่ข้นกาบขไหลขึ้นพระตาระบูชาต่างนต่างเดินเดกคนพอนม่ละทีวิตนั่นแหละเป็นคิดสิ่งสำคัญ คือได้ท่ำลงไปหน้าเท่าไรก็ไม่เห็นผลทําเล่าสุ่จากตัวเือคิดถึงว่างือเล่าเดือท่ำอันใดบ้างเป็นตัวคนจะเกี่ยเียโมเยจะกี่ยกเยมขอไปยินทบาทจากวัดแล้วเดกหนดอัดท่อันใดไปผมบ้างยินมันเถอไปยางใดรักษาใจอยตลอดนวล่ เสีหนใจงั้น่ไหมใจงี t <t ้นเรามีอารมณ์จาข้างนอกมาก่อเกลื่นเกิดตรงนีตัดขาดของจญาอารมณ์ต่างๆสือเป็นขาซิคขับใจในโตไก่ถือเพ่คตั้งใจเพื่ปฏิบัติเพื่อตั้งใจเพ่ปฏิบัติไนั่นถึงขีดั้นที่ไรเห็นทรดาษที่เห็นบ่ต้องไปิดยังจะมีโยที่อาศัย มันม่ากี้ินไม่ม so, like so, so, ือไมหาเมื่อไหรเวลาถ้ายิบขีท่านมาจาริ่งท่านรักษาหัวประพุทธท่ามสิ่งถ้ามีใครจมีก้นสฉใจมีก้นโฉมเสียหาหากข้าวประพุทธใจเคร่งเข้าหรืเป็นอาจเป็นท่ำหากข้าวเวประพุทธใจเ่เาดีเ่อวีอัดมีท่ามันได้ไม่ี่ห้างเลต่นปากสี่ทิศนี้ามขจะได้ไหมผประโยชน์อนได วันนี้ยดีวม่ดว่ารักสานี้ดสิมสงสารหมกตาถ้าให้วนี้อาบนีท่ำเขาว่ต้องการตัวจะหาฝากเขาตอมหมวกมหอวนสะควนหาคนจบกวนท่าตัวควนไหลขึเขาทำนี้ตาเรอเขาสเวาหนียามีเเวลาบอกเห็นก็สถขาดสิที่สุด เันนี้ดีดีาะไเนี่ยคุณทําให้ทำนม่เท่ากันให้คือท่านเคหุ่นาบท่านเคหุ่ดาบเลคือางเท่านี้กตายถงเท่านั้นเขากด้ม่นี่่ออกงอตผลหาท่านไปเสียเ่นาเล่นกำลังชื่อชื่อไได้ผตอบแพ้กเท่าบท่านถ้ามเดียวกันนี่แหะอย่างก คนท่าเนเื่นทาเคลืนที่ปั้มเงือนมเื่องื่อนบันดาลแต่ใจเ่ตามเรืองเทั้นเอาแก่เคลืที่เงที่แกเนมเกิดท่ปีัง่การทุกสทุกอย่างคนมีปมเปือนเดีเสียต้นมีปั้มเงื่นโดรรับตาทําน่ตาทําที่มีที่เนื้อข่เครอบครอบเรื่อบัตรัสถานถี่หัวเืนร้ยเอนไห้เงนข้าเดี่เง่ เงายาเขานอาหารเี่ยนงีน้ยเปลี่ยนฮหากลนกข้าวว่าสดาหือ้าหนืดนักตาเป็นขิดเป็นเลือดแสดวาอย่าเ่าเรื่องที่มือตาย่าต่างชาติาาที่ปฏิบัติอาชญาไม่กลัวห น, นหาเสร็จต่างเลือดในคนที่โถดตัวขอางอย่างเรานี่ตัวของเหน่ยตืน เป็นผาเป็นเนือปนหยาดเป็หยาดป็นเนื้อเกี่วข้อดีถ่ายิดๆเปนเนื้อของที่เอานื้อห้้าให้เจ้าเ่อด็คิดเอาเนื้อขาละผ้าอันใดเข่าก็นว่าเลยสื่อบ้างกันว่าเลยที่นี้กันวเลยเ้าหาเพื่อนเพื่อสบายก็ไม่เด้วยซีื่อด็คิดเมื้อขาดละผ้าจากผาจากเนื้อนี่แล้วเนื้อเหงาตายว่ามันคืได้ คุณ <h Bu> ่าจะไปเยอะดิเนีพ่ยห้องสิบฮึ่มบิ๊กไก่